ลำดับที่เอเมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2553โดยพระครูธรรมทอนคันจิตคุณวโรวผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานเวสกวันเจังหวัดนครปฐมอ่าเจ ร, ริญพร วันนี้เราจะได้มาเรียนกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของกรุณากรรมฐานเมื่อสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่แล้วนั้นอาตมาสอนในเรื่องของการแผ่กรุณาเกลิ่นตน้นว่าให้เรานึกถึงคนที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ให้โยมฝึกแผ่ให้นอกจากคนตกทุกข์ได้ยากคนที่กําลังลําบากเดือดร้อนแล้วอย่างเช่นคนยากจนเขินใจขาดแคลนหรือประสบทุกข์หรือคราะกรรมต่างๆ ก็อาจจะนึกถึงแล้วก็แผ่เมตตาให้คนที่มีวัตถุสมบัติทั้งพร้อมแต่ว่าจิตใจเขาไม่ดีงามนะอันนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งการแผ่กุณาเป็นอันดับแรกได้ต่อจากนั้นเมื่อเราแผ่ได้คล่องแผ่กุณาได้คล่องต่อไปเราจะทําแผ่เมตตาให้กับบุคคลที่เรารักและเคารพหรือเพื่อนรักแต่คนนี้ปกติเพื่อนรักถ้าเขาอยู่เราเห็นเขาอยู่ดีมีสุขเนี่ย จิตที่จะแผ่กรุณาออกไปเนี่ยมันจะแผ่ไม่ได้ตอนนี้อารมณ์กรรมฐานนั้นจะแตกต่างจากเมตตาเมตตานี้ให้นึกถึงความสุขความดีงามแล้วตั้งใจครับมีความสุขความดีงามแผ่เมตตาเป็นอย่างนั้นแต่กรุณานั้นให้ยมนึกถึงความทุกข์ของคนที่ยมรักถ้ามีปัญหาอะไรกําลังจะประสบปัญหาอะไรมีเรื่องทุกข์ใจอะไร ไม่ยมนึกถึงแล้วก็ให้ยมตั้งใจแผ่กรุณาว่าให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่คือการแผ่ให้กับบุคคลที่รักหรือเพื่อนที่เรารักนะแผ่ออกไปว่าขอให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นๆนะตอนนี้เขามีเรื่องทุกข์ใจเรื่องนี้อ้าวขอให้พ้นจเขาพ้นจากความทุกข์ใจอย่างนี้อย่างนี้ไปนะเั้นกรุณาจึงเป็นเรื่องของการที่เราตั้งใจปรารถนาดีอยากช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ มันก็เป็นเพียงแค่จิตใจที่เราแผ่ออกไปเพราะฉะนั้นเราจะนึกถึงทุกขของบุคคลนั้นๆแล้วจึงตั้งใจว่าขอให้เขาพ้นจากความทุกข์นี่เราเรียกว่าตั้งใจมีกรุณากับเขาเมื่อเราแผ่ให้คนที่รักทําได้คล่องทําได้ชนานาญแล้วต่อไปก็ให้โยมแผ่ให้กับบุคคลที่เป็นกลางๆบุคคลที่เป็นกลางๆ ก, ก็คือคนที่เราไม่รู้จัก ไม่มักคุ้นไม่คุ้นเคยวิธีการแผ่ก็จะเหมือนกับการแผ่ให้บุคคลที่เรารักก็โดยการนึกถึงทุกของเขาทุกของเขาที่จะต้องประสบหรือทุกของเขาที่กำลังเป็นอยู่ทุกคนมีความทุกข์ทั้งสิ้นอาจจะมีความยากลำบาก ม, มีความทุกขในการทำหน้าที่การงานมีความอึดอัดมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ตั้งใจแผ่กุณาไปให้กับเขา ตั้งใจไปเลยนะอ้าวให้เขาพ้นจากความทุกข์นะปัญหาทั้งหลายจงหมดไปนะความทุกข์ทั้งหลายจงหมดไปนะนะให้เราแผ่ออกไปอย่างนั้นนี่คือการแผ่ให้บุคคลที่เป็นกลางนะความทุกข์ทั้งหลายปัญหาทั้งหลายของบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นจงหมดไปนะนะพยายามทําให้คล่องนะเมื่อทําทได้คล่องแล้วต่อไปเราจะแผ่ให้บุคคลที่เป็นศัตรูคู่เวร การแผ่กรุณนให้เป็นศัตรูคู่ให้กับคนที่เป็นศัตรูคู่เวรนี่ยากเพราะฉะนั้นวิธีการจะเหมือนกับตอนที่เราแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นคู่เวรก็คือว่า1เราจะต้องระ ง, งับความโกรธในบุคคลที่เป็นศัตรูคู่เวรนั้นให้ได้เสียก่อนอุบายในการระ ง, งับความโกรธสิบวิธีได้สอนไปแล้ว ตอนที่ว่าด้วยเรื่องของเมตตากรรมฐานตอนนี้เอามาใช้เลยเหมือนกันใช้วิธีการเหมือนกันทั้งหมดนะจากนั้นพอเรารู้สึกความรู้สึกที่เป็นศัตรูคู่เวรหายไปจิตใจเราก็จะรู้สึกผ่องใสแล้วรู้สึกเป็นกลางๆ ก, กับเขาแล้วเราค่อยนึกถึงทุกข์ของบุคคลที่เป็นศัตรูคู่เวรปัญหาที่เขาประสบยกเรื่องนั้นขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจแผ่กรุณาไปให้กับเขา ด้วยการตั้งใจว่าขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะพ้นจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเพราะจิตที่เป็นกรุณาที่แผ่ออกไปแบบนี้ก็จะทําให้จิตใจของเราปลอดโปร่งพ่องสายแล้วก็สงบตั้งมั่นอยู่กับภาวะที่เราตั้งใจปรารถนาอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์พ้นจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนี่คือการแผ่ออกไปให้บุคคล สี่จำพวกต่อจากนั้นเราจะแผ่กรุณนาไปให้คนที่แผ่ยากคนที่แผ่กรุณนาให้ยากก็คือคนที่กำลังอยู่ดีมีสุขเพราะหาทุกข์ไม่เจอเราจะไปนั่งเลิกยังไงนะให้เขาพ้นจากความทุกขนะ์เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ดีมีสุขมีความสมบูรณ์มีความพรั่งพร้อมวิธีการแผ่กรุณนาก็คือว่า ให้เราลองดูเวลาเขามีทุกข์หรือมีเคราะกรรมแม้เพียงเล็กน้อยตอนนั้นนั่แหละเป็นเวลาที่เราเหมาะในการแผ่กุณาให้กับเขาหรืออีกอย่างหนึ่งโอ้บุคคลผู้นี้แม้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ด้วยชื่อเสียงมีความสุขอยู่กับครอบครัวแต่สุดท้ายเขาก็ต้องจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปเขาก็ต้องประสบกับความทุกข์เพราะการพัดพรากจากสิ่งที่รัก โอ้ขอให้เขาพ้นจากความทุกจากการพัดพากเหล่านั้นนะนี่แผ่ได้ไหมเอ่ยอย่างนี้แผ่ได้เลยใช่ไหมยอยู่นี่มีสุขตอนนี้ยังไงก็ต้องเจอกับความทุกข์ในอนาคตอีกอย่างหนึ่งเขาเองยังอยู่ในวัตะสงสารนี้อยู่ยังไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังต้องประสบกับภาวะหรือสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจ เพราะฉะนั้นขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายในวัฏฏะสงสารน้สะนี่เราก็แผ่กุณาให้กับเขาได้นี่คือการตั้งใจปรารถนาดีอยากช่วยเหลือตั้งเจตนาดีอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่คือการแผ่ให้บุคคลที่ประสบความสุขหรือบุคคลที่ไม่มีความทุกข์จากนั้นเราจะทำสีมาสําเพช คือเราจะแผ่กรุณาให้กับบุคคลทุกกลุ่มให้มีจิตกรุณาเสมอเหมือนกันหมดเหมือนเมตตาเลยเพราะฉะนั้นแผ่กรุณาให้กับบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากเขินใจแผ่กรุณาให้ตนเองแผ่กรุณาให้กับบุคคลที่เรารักและเคารพแผ่กรุณาให้กับบุคคลที่เรารู้สึ ก, กเป็น ก, กลางๆหรือเฉยๆกับเขาและบุคคลที่เป็นศัตรู แพ่ให้มีจิตกรุณาเสมอเหมือนกันหมดเสมอเหมือนกันหมดเป็นอย่างไงเอ่ยหมายความว่าทุกๆคนที่กล่าวมานั้นเรามีแต่จิตอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดเลยปรารถนาดีต้องการให้เขาพ้นจากความทุกข์พ้นจากภัยทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นเลยไม่อยากให้มีใครมีความทุกข์เลย จิตกุณามีเสมอเหมือนกันหมดในบุคคลทั้งหมดนี้เหมือนกับเมตตาทำสีมาสัมเพชจาได้นะถ้าทำได้คล่องตอนนั้นั่นแหละเรียกว่าจิตเราเข้าสู่อุปจารสมาธิละแต่จริงๆแล้วในการแผ่ให้แต่ละบุคคลนั้นจิตสามารถสงบได้ถึงอุปจารและอัปปนาสมาธิได้ทั้งหมดนะแต่ในที่นี้ท่านจะให้แผ่ให้คล่องก่อนที่เราจะแผ่ออกไปให้แบบจากัดแบบและแบบไม่จากัด เมื่อเราแผ่กรุณาจนกระทั่งคล่องในบุคคลสี่ประเภทที่อตมาได้กล่าวถึงนั้นแล้วเราเรียกว่าทำสีมาสำเพทมีจิตกรุณาเสมอเหมือนกันหมดแล้วจากนั้นเราจะเริ่มแผ่ออกไปแบบที่จำกัดและแบบไม่จำกัดบุคคลเริ่มจากแผ่กรุณาแบบไม่จำกัดบุคคลก่อนบุคคลที่แผ่ออกไปแบบไม่จำกัด ก็มีอยู่ทั้งหมด5ประเภทเช่นเดียวกับเมตตากรรมฐานเลยได้แก่1สัพเพสตาแต่จะแปลกกว่าเมตตากรรมฐานเมตตากรรมฐานจะเป็นอเวหะอาโหตุอัพยาปชาโนตุเป็นต้นแต่กรุณากรรมฐานนั้นเราจะใช้คําว่าทุกขามุจจันติจําได้ใช่ไหมขาดไปแล้วทุกขาก็คือความทุกข์มุจจันติก็คือพ้นจากหรือพ้นไปหรือปราศจาก สพเพสตาทุกขามุดจันติก็แปลว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะจงพ้นจากความทุกข์เถิดนะนี่คือเราแผ่กรุศนาออกไปใช่ไหมอยากช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ปรารถนาดีตั้งใจให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็คือสัตว์ทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งอยู่เนี่ยขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะก็ให้โยมตั้งใจแบบนี้ และรู้สึกถึงสัตว์ทั้งหลายนั้นพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงใช้คำพูดมาคอยเป็นตัวบริกรรมตัวกาหนดก่อนในช่วงแรกจนกว่าจิตเราจะสงบมั่นคงได้ดีจากนั้นเราจะจับแต่ภาวะที่ปรารถนาอยากให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมีหนึ่งสัพเพสัตตาทุกขามุจันติอ้าวช่วยกันนิดหนึ่งต่อไปเป็นสัพเพอะไรเอ่ยสัพเพ ปานาใช่ไหมสัพเพปานาทุกขามุจจันติปานาคือสัตว์ทั้งหลายที่มีลมหายใจนะมีลมหายใจนั่นเองนะอนาปานาสติจํำง่ายๆอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายที่มีลมหายใจจงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเถิดนะสัพเพปานาทุกขามุจจันติจะถัดจากนั้นสัพเพภูตาทุกขามุจจันติ สัพเพปูตาก็คือสัตว์ทั้งหลายที่ยังต้องปลเวียนยังต้องมีตัวตนยังติดในขันท่าทั้งหลายเหล่านี้จงพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเถิดอ้อาวได้สามแล้วยังที่สี่เป็นสัพเพปุคลาใช่ไหมบุคคลทั้งหลายที่ยังต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัตนี้จงพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเถิดนะก็จะเป็นสัพเพ ปุขาทุกขามุดจันตินะอันนี้อย่างที่สี่ปุลาก็คือบุคคลนั่นเองเอ้าวถ้าจากนั้นอย่างที่ห้าก็จะเป็นสัพเพอตตะภาวะปริยาปนานอตตะภาวะปริยาปนาเทวานั้นจะเป็นแบบเจาะจงล ะ, ะอตตะภาวะปริยาปนาก็คืออะไรเอ่ยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่ยังมีตัวตนยังยึดติดในตัวตนนะจงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเถิดนะก็เป็นสพเปอะอัตภาวะปริยาปั น, นาทุกขามจุจจตินี่คือแผ่แบบไม่เฉพาะเจาะจงเราเรียกว่าอัโนทิโสใช่ไหมอโนทิโสจากนั้นเราจะแผ่แบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงมีกี่แบบเอ่ยเจ็ดแบบ โอ้ส่งคืนหมดแล้วเหรอเห็นนั่งเงียบเลย mm hmm. แผลแบบเฉพาะเจาะจงครั้นี้เราจะแผลกับกลุ่มบุคคลเฉพาะเจาะจงละก็จะเริ่มต้นจากจากอะไรเอย่ยจากให้กับผู้หญิงทั้งหลายก่อนนะผู้หญิงทั้งหลายที่มีความทุกข์จงพ้นจากความทุกข์เถิดก็จะเป็นสัพเพหรือสับอะไรเอย่ยสัพานะจำไว้นะสัพาอิทธิโยนะสัพาอิธิโย ทุกขามุดจันติก็หยายมนึกถึงเพศหญิงทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงหรือสัตว์ที่เป็นสัตว์ตัวเมียหรือว่าเพศหญิงทั้งหมดเลยนะขอให้บุคคลที่เป็นเพศหญิงทั้งหมดเพศหญิงทั้งหมดนั้นจงพ้นจากความทุกข์นะก็ตั้งจิตปรารถนาดีนะถ้าเขามีความทุกข์อยู่ขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเถิด ถ้าจากนั้นก็แผ่ให้กับเพศชายนะให้กับผู้ชายทั้งหลายก็จะเป็นสัพเพปุริสาทุกขามุดจันตุนะสัพเพปุริสาทุกขามุดจันตุนะเพศชายทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์เถิดนะจากนั้นก็แผ่ให้กับพระอริยะทั้งหลายก็จะเป็นสัพเพอริยาทุกขา มุดจันตุนะพระอริยะเจ้าทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์เถิดจากนั้นก็แพร่ให้กับบุคคลที่ไม่ใช่พระอริยะก็เติมคําว่าอะเข้าไปข้างหน้าอริยนะแล้วก็แปลงอะเป็นณนะนะก็จะกลายเป็นสัพเพ อ, อนริยาทุกขามุดจันตุบุคคลที่ยังไม่ใช่อริยะบุคคลทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์เถิด ให้ยมภาวนาไปเรื่อยๆแล้วนึกถึงบุคคลเหล่านั้นกาลังพ้นจากความทุกข์จริงๆนะตั้งใจไว้อย่างนั้นจากพระอริยะทั้งหลายแล้วต่อไปก็เป็นภูมิสามใช่ไหมเป็นภูมิสามภูมิสามก็เริ่มต้นจั้งแต่สัพเพเท ว, วาทเท ว, วาก่อนนะทเท ว, วาก็คือทเท ว, วดาทั้งหลายทเท ว, วดาทั้งหลายหากท่านยังมีความทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากความทุกข์มีตั้งจิตปรารถนาดีมีกรุณาต่อท่านนะก็เป็นสัพเพเท ว, วา ทุกขามุตจันตุต่อจากนั้นก็มาเป็นภพภูมิของมนุษย์ใช่ไหมก็จะเป็นสัพเพมนุษาทุกขามุตจันตุขอมนุษย์ทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์เถิดจากนั้นก็เป็นภพภูมิที่ต่ํากว่าเราก็ได้แก่สัพเพ ว, วินิปาติกาทุกขามุตจันตุผู้ที่อยู่ในวิณิปปะ ก็คือในอบายภูมิทั้งหลายที่กําลังทนทุกข์อยู่จงพ้นจากความทุกข์เถิดนี่คือแผ่กรุยาณ์ออกไปให้เขานะได้หรื อ, อยังครบหรื อ, อยังเจ็ดอย่างแล้วนะเจ็ดอย่างครบแล้วนะจําให้ได้นะเดี๋ยวจะให้ว่าเองลนะะเดี๋ยวจะให้ว่าเองนะอ้าวนะจากเจ็ดอย่างนี้ต่อไปแผ่ออกไปอย่างทิศ ท, ทั้งสิบใช่ไหมทิฏ ท, ทั้งสิบทิฏ ท, ทั้งสิบก็ง่ายแล้วนะ เริ่มตั้งแต่ทิศอะไรก่อนทิศตะวันออกนะตะวันออกนั้นคือปุรัตธิมายะใช่ไหมก็เริ่มจากสัตว์ทั้งหลายก่อนในทิศตะวันออกนะก็จะกลายเป็นสัพเพสัตตาสัพเพปุรัตธิมายะปุรัตติมายะคือตะวันออกแล้วก็ทิศก็คือคําว่าทิศายะนะสัพเพ ปุรัตธิมายะทิศสายสัตตานะก็หมายถึงสัตว์ที่อยู่ในทิศตะวันออกทั้งหลายนะทุกขามุดจันตุนะสัตว์ที่อยู่ทางทิศตะวันออกทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์เถิดแล้วก็นึกถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ทางทิศตะวันออกพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะตั้งใจแผ่ออกไปอย่างนั้นจากทิศตะวันออกก็เป็นทิศตะวันตกนะ ทิศตะวันตกก็เป็นสัพเพปัดฉิมใช่ไหมปัดฉิมตะวันตกสัพเพปัจฉิมายะทิสายะสัตตาทุกขามุจจันตุนะสัตว์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์เถิดนะิยมก็น้อมจิตไปนะต่อจากนั้นก็เป็นทิศเหนือทิศเหนือก็คือทิศอุตรนะอุตร ก็เป็นสัพเพอุตรายะทิสายะสัตตาทุกขามุดจันตุนะสัตว์ที่อยู่ทางด้านทิศเหนือทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากความทุกข์เถิดต่อจากนั้นก็เป็นทิศใต้ทิศใต้ก็คือทิศทักขินายะนะภาษาไทยใช้คาว่าทักศิลภาษาบาลีจะใช้ทักขินายะก็จะเป็นสัพเพ ทักขินายะทิสายะทุกขามุตจันตุสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ทางทิศใต้ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากความทุกข์เถอดต่อจากนั้นเป็นอนุทิศใช่ไหมเปลี่ยนจากทิสายะเป็นอนุทิสายะแค่นั้นเองเป็นคําเดียวแท่นั้นเองอ่าวลองไล่ซิว่าว่าตามว่าพร้อมกันเลยเริ่มตั้งแต่อนุทิศของที่ตะวันออกก็ได้แก่ทิศตะวันออกเฉียง จํ้นะจไว้นะทวนตามเข็มนาฬิกานะตามเข็มนาฬิกามา45ห้าองศานะก็จะเป็นสัพเพอัติมายะใช่ไหมสัพเพปุรัธิมายะขออภัยปุรัธิมายะ อ, ยยะอนะุทิศายะสัตตาทุกขามุจจันตินะปุรัธิมายะก็คือสัตที่อยู่ทางอนุทิศ ของทิศ ต, ตะวันออกทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากความทุกข์ก็คือตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะจากนั้นก็เป็นทิศอะไรเอ่ยทิศ ต, ตะวันตกนะทิศ ต, ตะวันตกก็เป็นปัชชิมายะใช่ไหมก็จะกลายเป็นสัพเพปัชชิมายะอนุทิสายะสัตตาทุกขามุตจันตุยมอนนึกถึงทิศอะไรเอ่ยคราวนี้ตะวันตกเฉียง นือนะตะวันตกเฉียงเหนือนึกถึงสัตว ah ์ทั้งหลายที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงต่อจากนั้นก็เป็นทิศอุ ต, ตรายะคือทิศเหนือนะก็เป็นสัพเพอุ ต, ตรายะอนุทิสายะสัตตาทุกขามุจจันตุสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ทางทิศ อ, อะไรคราวนี้ตะวันออกเฉียงเหนือนะตะวันออกเฉียงเหนือนะ ตามเข็ม น, นาฬิกาสีองศาโยมก็ น, ก น, กนึกถึงสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ทางทิศ ต, ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหลายทั้งปวงพ้นจากความทุกข์อ้าวที่สุดท้ายคือทิศใต้ตนะก็จะเป็นสัพเพทักขินายะอนุทิศายสัตตาทุกขามุจจันตุนะก็นึกถึงสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ทางทิศอะไรเอ่ยคราวนี้ตะวันตกเฉียงใต้นะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง ต่อจากนั้นเราแผ่ไปยังทิศเบื้องล่างก่อนทิศเบื้องล่างก็คือเหตุิมายะก็จะกลายเป็นสัพเพเหติมายะสัตตาอ่ะทิสายะสัตตาทุกขามุจฉันตุนะสัพเพเหตุิมายะทิสายะสัตตาทุกขามุจฉันตุสัตว์ที่อยู่ในทิศเบื้องล่างลงไปตามลงไปจากเราจงพ้นจากความทุกข์ จากนั้นแผ่ไปยังทิศเบื้องบนทิศเบื้องบนก็คืออุปริมายะทิสายะก็จะกลายเป็นสเพออุปริมายะทิสายะสัตตาทุกขามุจจันตุสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่อยู่ทางทิศเบื้องบนทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากความทุกข์ถือครบและสิบทิศ นี่คือการแผ่สามแบบใช่ไหมแผ่แบบไม่เฉพาะเจาะจงเรียกว่าอโนทิโโซแผ่แบบเจาะจงเรียกว่าโอทิโโซแผ่ไปยังทิศ ต, ต่างๆอีกสิบทิศนะเป็นทิศสทั้งหลายทั้งหมด10ทิศด้วยกันจากนั้นเราจะผสมเข้าด้วยกันเมื่อกี้เราเริ่มจากสัพเพสัตตาใช่ไหมแบบไม่เฉพาะเจาะจงก็เปลี่ยนจากสัตตาเป็นสัพเพภูตาใช่ไหมพูดทั้งหลายไอ้สัพเพปานาก่อน สัพเพปานาไปยังที่ทั้งสิบสัพเพภูตาไปยังที่ทั้งสิบสัพเพปุคลาไปยังที่ทั้งสิบสัพเพอัตะภาวะปริยาปันาไปยังที่ทั้งสินี่แผ่ได้เท่าไหร่ละกี่แบบห้าคูณสิเป็นห้าสิบแบบและแผ่แบบเฉพาะเจาะจงก็ได้แก่สัพพาอิธิโยผู้หญิงทั้งหลายสัพเพ ปุริสาผู้ชายทั้งหลายสาพยัพเพอริยาสาพยัพเพอนักริยาแล้วก็สพัพเพเทวาสาพัพเพมนุษาายาสัพเพวินิปาติการไปยังทิศ ท, ทั้งสิบได้อีกกี่แบบ70แบบ50าบกเ0เป็น120บวกเข้าไปอีก12คือแบบไม่กำหนดทิศก็คือสพัพเพสัตตาทุกขามุจจติรวมเป็นกี่แบบเอ่ย100รย สามสิบสองแบบใช่ไหมร้อยสามสิสองแบบนี่คือการแผ่เมตตาแผ่กรุนาเป็นหนึ่งร้ยสมสิบสองแบบท่านท่านเรียกว่าได้หนึ่งร้อยสาสิบสองอัปปนาสมาธินะคือแต่ละแบบนี้ได้ถึงอัปปนาสมาธิทั้งสิ้นเลยนะจากนั้นแผ่ออกไปไม่มีประมาณนะไปอย่างที่ทั้งสิบแล้วไม่มีประมาณจิตจะมีแต่กรมุนนากับสัพสัตทั้งหลายจนกระทั่งสงบตั้งมั่น เป็นอัปปนาสมาธิถึงขั้นฌานการแผ่กรุณาแบบนี้จิตจะสงบตั้งมั่นได้ถึงรูปฌานขั้นที่สามเพราะขณะแผ่กรุณานั้นเราจะมีความรู้สึกสุขหรือทุกข์สุขนะอย่างที่อัตมาอธิบายไปแล้วนะกรุณาไม่ใช่โทมนัสนะถ้าสงสารแบบทุกข์นี่คือโทมนัสนะเห็นแล้วสงสารจะร้องโหยร้องไห้นั้นโทมนัตแต่ถ้าการุณาคือมีจิตปรารถนาดี รู้สึกดีรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายจะพ้นจากความทุกข์เราจะช่วยให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ได้เราจะรู้สึกมีความสุขปลอดโปร่งผ่องใสนะเพราะฉะนั้นจะได้ถึงรูปฌปานขั้นที่สามนี่คือขอบเขตที่สามารถทําได้อา้าวได้ไม่เอ่ยกรุณากรรมฐานไปฝึกไว้นะโดยเฉพาะช่วงที่ตอนนี้เนี่ยกำลัมงมีคนตกทุกข์ได้ยากเยอะเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีของโยมเลยที่จะเอาสถานการณ์ในปัจจุบันนั้น มาเป็นปรมกรรมฐานของเรานะตอนนี้คนที่เราไม่รู้จักเยอะๆเลยกําลังตกทุกข์ได้ยากใช่ไหมคนที่เรารู้จักก็มีใช่ไหมช่วง น, นี้เศรษฐกิจตกต่ํานะคนที่เรารักก็กําลังตกทุกข์ได้ยากนะตัวเราเองก็อาจจะกําลังตกทุกข์ได้ยากใช่ไหมใช่นะคนที่รักคนที่เป็นกลางๆหรือแม้กระทั่งคนที่เราเกลียดคนที่เป็นศัตรูนะตอนนี้ก็อาจจะเกียดถ้าอยู่ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งก็จะเกลียดอีกฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งก็กําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่เหมือนกันใช่ไหมแล้วรับความกลัวและแผ่กรุณาไปให้กับเขาเสียการฝึกอย่างนี้บ่อยๆจะมีข้อดีคือต่อไปเมื่อเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราจะรู้สึกยังไงเราจะรู้สึกมีจิตกรุณากับเขาจิตเราจะไม่ตกนะหนึ่ง จิตเราจะไม่ตกไปในฝ่ายธงมนัตคือบางคนเราเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากแล้วจิตเราจะตก ท, ทันทีใช่ไหมสงสารร้องห่มร้องไห้หดหูนั่นไม่ใช่การุณาอย่างที่บอกนะคราวนี้นึกถึงใครเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากเห็นเขารำลำบากมันจะมีจิตใจอย่างหนึ่งก็คืออยากช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์ความปรารถนาดีอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเองเพราะเราฝึกของเราเป็นประจำจิตมันจะเสกคุ้นกับภาวะที่ถ้าเห็นคนตกทุกข์แล้วจะมีความรู้สึก ดีใจยินดีมีความสุขที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือเขานั้นต่อไปเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเห็นคนกําลังจะตายไม่ใช่ทุกข์แล้วเรากลับรู้สึกมีความสุขที่เราจะได้ช่วยเหลือเขาหรืออย่างน้อยที่สุดตั้งจิตปรารถนาดีให้เขาพ้นจากความทุกข์ได้เพราะว่าในชีวิตประจําวันเราจะเจอทั้งคนที่เป็นปกติธรรมดาและคนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่แล้วใช่หรือไม่นั้นการฝึกอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนรูปแบบการปรุงแต่งจิตของเรา นอกจากเป็นการฝึกจิตทําให้จิตเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วยังช่วยในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์เรากับบุคคลอื่นๆในสังคมด้วยอานิสงค์ของการุณากรรมฐานท่านบอกว่ามีเยอะมากมายเลยมีอานิสงค์ทั้งหมด11ประการ<ม>เช่นเดียวกับเมตตากรรมฐานอานิสงค์นั้นมี11ประการเช่นเดียวกับเมตตากรรมฐานจําได้ไหมเอ่ยมีอะไรบ้าง หนึ่งผู้ที่มีจิตกรุณาอย่างนี้เขามีแต่ความปรารถนาดีอยากช่วยผู้ผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์จิตใจเขาก็จะผ่องใสดีงามอยู่กับความสุขแม้เข้านอนเขาก็จะนอนอย่างมีความสุขใช่ไหมใช่แม้นอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายตื่นขึ้นมาก็จะตื่นขึ้นมาอย่างมีความสุขใช่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วนะ บุคคลผู้นั้นย่อมมีใบหน้าผ่องใสใช่ไหมบุคคลผู้นั้นผู้ย่อมมีใบหน้าผ่องใสเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายนะเพราะจิตใจของเขาที่ปรารถนาดีอยากช่วยผู้อื่นจิตอาสาจะมาเองเลยใช่ไมมีอะไรช่วยเขาได้มีอะไรจะช่วยทาให้เขาพบเจกความทุกข์ทำให้เกิดความดีงามขึ้นมาได้เขาจะอยากช่วยอยากทำแล้วมีความสุขในการทำสิ่งเหล่านั้นด้วย เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายนะไม่ว่าอมนุษย์ทั้งหลายผีเทวดามารพรมย่อมเป็นที่รักประการที่7ก็คือเทวดาย่อมคุ้มครองรักษานะประการที่8จิตย่อมสงบตั้งมั่นได้เร็วประการที่9เขาย่อมไม่ถูกทําร้ายด้วยศัตว์าอาวุธยาพิษหรือแม้กระทั่งไฟประการที่10ย่อมเป็นผู้ อะไรนะไม่หลงทําการกิริยาก็คือเป็นผู้ที่มีสติอยู่ตลอดแม้ขณะตายก็จะตายอย่างมีสตินะคือไม่หลงทําการกิริยาและประการที่สิบเอ็ดก็คือหากไม่บรรลุอริยะบุคคลในชาตินี้ย่อมเข้าสู่พรหมโลกนะอันนี้หมายความว่าจเจริญกรุณากรรมัธฐานจนกระทั่งจิตเป็นฌานแล้วตายไปขณะอยู่ในฌานย่อมเข้าสู่พรหมโลกนี่คืออานิสง์ สิบอประการของกรุณากรรมฐานเพราะฉะนั้นฝากให้โยมไปฝึกมีคําถามไม่เอ่ยไม่มีคําถามนะถ้าไม่มีคําถามวันนี้เราจะเริ่มต้นลองฝึกกรุณากรรมฐานกันก่อนนะเพราะฉะนั้นเมื่อวาเมื่อคราวที่แล้วให้โยมเริ่มต้นลองฝึกในการแผ่กรุณาให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือคนที่กําลังมีความสุขแต่กําลังกระทํากรรมชั่ว วันนี้จะให้โยมแผ่กรุณาไปให้กับบุคคลที่โยมรักนะแล้วก็แผ่กรุณาไปให้กับคนที่เป็นกลางๆลานะเอาแค่สองอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะอ่าเพราะฉะนั้นเพื่อให้พักผ่อนอริยบทสักนิดหนึ่งเรานั่งนานแล้วให้โยมลุกขึ้นนะโยมลุกขึ้นนะให้โยมลุกขึ้นนะอ้าวขยับแข้งขยับขานิดหนึ่งนะ าจากนั้นยืนตัวตรงให้รู้สึกสบายสบายาหายใจเข้าออกช้าๆตึกๆเจียวๆให้รู้สึกสบายสบาย คราวนี้ให้โยมนั่งลงได้นะนั่งลงแล้วนั่งขัดสมาธิเลยาจากนั้นให้โยมน้อมะระลึกนึกถึงบุคคลที่โยมรักอาจจะเป็นเพื่อนรักหรือแม้แต่กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ให้เรานึกถึงความยากลําบากนึกถึงความทุกข์ของเขาที่เขากําลังประสบอยู่ ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ท่านกําลังประสบอยู่หรืออาจจะเป็นความไม่สบายใจในเรื่องต่างๆที่ท่านกําลังประสบอยู่เมื่อนึกถึงทุกข์ที่คนที่เรารักอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนรักที่กําลังประสบอยู่อย่างนั้นอย่าปล่อยให้จิตของเราตกเป็นความรู้สึกเศร้าหมองให้เราตั้งใจแผ่กรุณาให้กับท่านตั้งใจไว้ให้ท่านพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นนะ ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ขอให้ท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะถ้าท่านไม่สบายใจอยู่ก็ตั้งใจไปขอให้ท่านจงหายจากความไม่สบายใจเหล่านั้นเสียให้โยมตั้งใจแผ่กรุศลาออกไปให้มีจิตที่ปลอดโปรง่งผ่องใสตั้งใจให้บุคคลที่เรารักพ้นจากความทุกข์นะ ทุกทั้งหลายที่ท่านเป็นอยู่จงหมดไปนะคุณพ่อคุณแม่จงหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนะผู้มีพระคุณทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์นะทุกๆุกคนที่เรารัก จงพ้นจากความทุกนะ้าให้โยมได้ถึงท่านเหล่านั้นว่าท่านพ้นจากความทุกข์ตั้งใจแผ่ความปรารถนาดีแผ่ความกรุนนาให้กับท่านตั้งใจไว้ท่านจงพ้นจากความทุกนะ้าคุณพ่อคุณแม่จงพ้นจากความทุกนะ้า ท, ทุกคนที่เรารับจงพ้นจากความทุกข์นะให้เยิงรู้สึก เหมือนท่านเหล่านั้นจิตใจหรือความทุกข์ทั้งหลายนั้นหมดสิ้นไปเมื่อนึกถึงความทุกข์ของท่านเหล่านั้นให้ตั้งใจปรารถนาดีแผ่ออกไปให้กับท่านแผ่กรุณาออกไปท่านจงพ้นจากความทุกข์นะทุกทุกคนที่เรารักจงพ้นจากความทุกข์นะ อย่าให้การเป็นความรู้สึกบีบในจิตใจนะถ้าอย่างนั้นเป็นความทุกข์ไม่ได้นั่นไม่ใช่กรุณาเป็นโทมนัสให้รู้สึกถึงจิตใจที่ปราบโกรงมีความการุณาปรารถนาดีแผ่กําลังใจแผ่กําลังบุญกุศลแผ่ความดีงามแล้วตั้งใจปรารถนาไว้ให้เขาพ้นจากความทุกข์ให้รู้สึกถึงว่าเราได้ช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ มีความภูมิใจอิ่มใจที่เราจะได้ช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ ตอนนี้ให้โยมน้อมจิตกรุณาแผ่ออกไปให้กับทุกๆคนบุคคลที่เป็นกลางๆบุคคลที่เรายังไม่รู้จักหรือแปรเพียงแค่เห็นหน้าแต่ไม่ได้สนิท ต, ตั้งใจแผ่กรุณาออกไปทุกๆคนที่ยังตกทุกข์ได้ยากอยู่ทุกๆคนที่มีความทุกข์จงพ้นจากความทุกขนะ์้ะ ตั้งใจปรารถนาดีแผ่กรุณาออกไปแผ่ความรู้สึกที่ดีงามช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ตั้งใจนึกปรารถนาดีมีความกรุณาให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เขากำลังประสบตั้งใจไว้บุคคลที่เป็นกลางกลางทุกๆุกคน จงพ้นจากความทุกนาะบุคคลที่เป็นกลางกลางทุกๆคนบุคคลที่เราไม่รู้จักทั้งหลายจงพ้นจากความทุกนาะทุกๆคนจงพ้นจากความทุกนาะ ให้โยมหายใจเข้าออกช้าๆดึกดึ๊กยาวๆหายใจเข้าเปิดบานมีความสุขหายใจออกเปิดบานมีความสุข <c oughs> พอทำได้ไม่เอ่ยพอทําได้นะกลับไปฝึกนะเพราะว่าได้สอนวิธีแผ่กุณาไปทั้งหมด132แบบแล้วเยอะแยะเลยเอาเริ่ม อ, อย่างง่ายๆก่อนตัวเองอ่าหนึ่งคนที่ตบทุกได้ยากมาที่คนที่รักคนที่เป็นกลางๆยากที่สุดคือคนที่เป็นศัตรูถ้าชนะผ่านในการแผ่กรุณาให้กับคนที่เป็นศัตรูได้เรามีความรู้สึก ปรารถนาดีอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์จริงๆได้เหมือนกับเราปรารถนาดีต่อตนเองต่อบุคคลที่รักแล้วแล้วก็แผร่กรุณาที่เหลือจะไม่ยากแล้วนะมันยากตอนเริ่มต้นตรงส่วนเนี้นะต้องผ่านตรงส่วนนี้ให้ได้นะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นการบ้านสัปดาห์หน้าจะมาพูดถึงเรื่องของการแผ่มุทิตาแผ่มุทิตาเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต่อไปเรา ขับรถไปเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเขาขับรถปาดหน้าไม่ใช่โกรธและแผ่กรุณาให้กับเขานะเขากําลังมีความทุกข์อยู่เขากาลังตกทุกข์อยู่เอาตั้งใจไว้เราช่วยอะไรเขาไม่ได้อย่างน้อยตั้งจตใจใจปรารถนาดีมีความกรุณาต่อเขาเห็นขอทานก็แผ่แผ่กรุณาให้กับเขาซะนะแต่เรียกให้ประชาสนเคราะห์มารับนะะ <c oughs> <c oughs> เราจะได้กรุณากับเขาจริงๆนะ ไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะเป็นขอทานอยู่อย่างนั้ น, นตั้งใจอยากช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์เห็นคนตกทุกข์ได้ยากก็เช่นเดียวกั น, นเพราะฉะนั้นเวลาเห็นใครตกทุกข์ได้ยากหรือมีการสูญเสียหรือการจากไปโยมพึงแผ่กุณาให้ขับคนที่กําลังโศกเศร้าอย่าไปนั่งร้องไห้กับเขานะนั่นมันโทมนัตไม่ใช่กรุณานะนั้นมันโทมนัตให้แผ่กุณาตั้งใจไว้อ้าวให้เธอพ้นจากความทุกข์นะแล้วก็แสดงออกได้ใช่ไหมด้วยการอะไรเอ่ย ปลอบโยนให้กำลังใจนี่แหละปลอบโยนเป็นการพูดออกไปด้วยความกัล鲁นาะการปลอบโยนให้เป็นให้กำลังใจเป็นหลักให้กับเขาให้เขารู้สึกเบิกบานแล้วพ้นจากความทุกข์ออกไปให้ได้หรือได้ไ ด, ได้สตนะิมีหลักในการคิดในการตัดสินใจนะอา้าวมีคำถามไหมเอ่ยวันนี้กัล鲁นาไม่มีนะอา้าวถ้าไม่มีคำถามอะไรสัปดาห์หน้าขึ้นเรื่องมุทิตามุทิตาเนี่ยน่าจะเร็วละ เพราะว่าลักษณะการแผ่แบบจํากัดไม่จํากัดและทิศต่างๆทั้งสิบทิศจะเหมือนกันเมตตากรุณาเหมือนกันหมดเลยต่างเพียงแค่อารมณ์กรรมาฐานเท่านั้นเองนะรูปแบบการฝึกนอกนั้นจะเหมือนกันละมีแค่ตอนเริ่มต้นนะมุทิตาจะต่างจากกรุณาและเมตานะมตาเมตตานี้เอาตัวเองใช่ไหมเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนกรุณาเริ่มต้นที่คนที่ตกทุกข์ได้ยากและนึกถึงความทุกข์ของเขาแล้วตั้งใจปรารถนาดีให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นนั้น ส่วนเมตตาเนี่ยเราตั้งใจให้เขามีความสุขมุทิตาเนี่ยเราต้องรู้สึกชื่นชมยินดีอ้าวจะเป็นยังไงเอาไว้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาฝึกกันต่อนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็ฝากไปฝึกในเรื่องของกรุณากรรมฐานให้คล่องนะถ้าเราได้ครบเนี่ยเรียกว่าเป็นพรมกันละเมตตากรุณามุทิต า, า, า, ตาอุบเบกขานะถ้าใครดำรงชีวิตอยู่โดยมีจิตสี่อย่างนีนะ้เห็นคนอยู่ดีมีสุขมีเมตตา เห็นคนตกทุกข์ได้ยากเห็นคนลําบากไม่เศร้าหมองแต่กลับมีกรุณาเห็นคนประสบความสําเร็จกลับรู้สึกชื่นชมนะหรือเห็นเมื่อสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราสามารถดิ่งหรือวางเฉยจิตใจไม่ถูกกระทบได้ถ้าอย่างนี้นจิตโยมสงบอยู่ตลอดเวลาแล้วองสายอยู่ตลอดเวลานะแม้ยังไม่ใช่ในขั้นของวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นตัดกิเลสตัดรากเหง้าของกิเลสแต่อย่างน้อยที่สุดมันจะช่วยให้โยมดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข อ่าวนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ลำดับต่อไปได้เชิญโ ย, ยมแผ่เมตตาแล้วก็ไหว้พระสุดมนต์